มีใครอยากจะให้พูดเรื่องอะไรไหมมีเพื่อนมาอยากต้องการให้พูดเรื่องไหนหรือเปล่าอยากรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าเ ร, เรื่องอะไรก็ได้อ ย, อ, อยากขอความเมตตาทั้งที่ไม่มีใครทำโยมอยากได้คู่มือวิธีใช้ การสร้างอนในการสร้างบุญอ่าบุญสิบประการทีนี้เหมือนกับเรามีมีสตางแล้วเนี่ยมีคนใ้หนึ่ทีนี้บุญเนี่ยวิธีใช้ในพวกนี้บุญมันไม่ใช่ใช้มันมันต้องสร้าง เพราะว่าเราไม่มีบุญกันเราตึงมาสร้างบุญกันไม่ใช่มาใช้บุญกันเหมือนสตางค์ไม่ทองตาง่์ต้องมาหาเงินก่อนพอได้สตางแล้วเราก็ใช้เอามาทำบุญท<อ>ีนพอเราได้บ<อ>ุญแล้วเราจะใช้อย่างสตางคฝากธนาคารพุทธศาสนาหาวิธีคือบุญนี่เป็นเหมือนเงินทองของจิตใจ จิตใจนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายก็ต้องมีเครื่องที่สถับสนุนร่างกายร่างกายของเราต้องมีปัจจัยสี่เราต้องมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัย เรียกว่าปัจจัยสี่ของร่างกายส่วนหนึ่งของชีวิตเรานี้ครึ่งหนึ่งคือร่างกายอีกครึ่งหนึ่งคือใจเรารู้จักร่างกายเรารู้จักสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายเราก็หาสิ่งที่จําเป็นให้กับร่างกายกันได้ทุกคนร่างกายของพวกเราจึงอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ใจของพวกเราเนี่เราไม่รู้จักว่าปัจจัยสี่หรือสิ่งที่จะสนับสนุนใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั้นเป็นอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาศึกษาจากผู้รู้ ผู้รู้คือพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี้มีอะไรบ้างท่านเรียกว่าบุญบุญคือปัจจัยที่จะดูแลรักษาจิตใจ ให้อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขบุญ น, นี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันที่จะสนับสนุนที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆซึ่งตอนนี้พวกเราอย่างมีไม่พอเพียง เพราะถ้าเรามีพอเพียงแล้วใจของเรานี้จะมีแต่ความสบายใจจะไม่มีความเดือดร้อนใจจะไม่มีความไม่สบายใจแต่ตอนนี้ใจของเราค่อนข้างที่จะวุ่นวายวุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ก็เพราะว่า ใจของเราขาดบุญไม่เหมือนร่างกายของเรานี้ไม่ขาดปัจจัยสิร่างกายของเราจรึงไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถึงเวลาหิวก็มีอาหารให้รับประทานมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายปกป้องร่างกาย จากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากามแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีแพทย์มีหมอมีโรงพยาบาลมียาคอยเลี้ยงดูรักษาร่างกายร่างกายของพวกเรานี้ได้รับการดูแลพร้อมบริบูรณ์แต่จิตใจของพวกเรานี้ ยังไม่ได้รับการดูแลพร้อมบริบูรณ์ถ้าได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่มีความกลัวเลยยังไม่มีความวิตกกังวลเลยจะไม่มีความห่วงใยจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจจะไม่มีใครร้องไห้ถ้ามีถ้ามีบุญครบ ถ้ามีบุญไว้มาดูแลจิตใจของพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันขาดบุญเพราะว่าจิตใจของพวกเรายังวุ่นวายใจอย่างเศร้าโศกเสียใจอย่างวิตกกังวลอย่างหวาดกลัวยังมีอารมณ์ <c oughs> ที่ไม่ดี เราจึงต้องมาสร้างบุญกันสร้างบุญที่จะมาคอยดูแลรักษาจิตใจของพวกเราให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขบุญนี้มีอยู่สิบประการแต่มีสามารถแยกออกเป็นสองส่วนได้เป็นบุญหลักกับเป็นบุญเสริม บุญหลักนี้จำเป็นที่จะต้องมีถึงจะรักษาจิตใจให้ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจได้บุญเสรมนี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารเสริมอาหารเสริมนี้มีรับประทานหรือไม่มีรับประทานก็ไม่ค่อยมีผลกระทบ มีก็ดีไม่มีก็อยู่ได้เช่นร่างกายล้วมีอาหารหลักอาหารเสริมถ้ามีอาหารหลักรับประทานก็อยู่ได้มีอาหารเสริมก็อาจจะเสริมให้ชีวิตของร่างกายอยู่ยาวนานขึ้นมีโครคภัยไข้เจ็บน้อยลงไปบุญเสริมก็เหมือนกันบุญเสริมก็จะช่วยเสริมให้จิตใจมีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงแต่ก็ไม่ไม่มีความแตกต่างกันมากกับบุญหลักบุญหลักนี้เป็นตัวที่จะคอยรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายให้จิตใจมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขบุญสิบประการ น, นี้ถ้าแบ่งเป็นสองส่วนบุญหลักก็มีอยู่สี่ห้าข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือการทําทานการทําทานทําบุญทานแปลว่าการให้ให้แล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาบุญคือความสุขใจอิ่มใจนี่คือบุญชนิดที่หนึ่งคือทานแปลว่าการให้ให้ของที่เรามีอยู่แก่ผู้ที่เขาไม่มี ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุกยากเดือดร้อนเราให้เขาแล้วเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาที่เราได้ทำประโยชน์แก่ผู้เพราะเราคิดมุมกลับได้ว่าถ้าเราเป็นเขาเขาเป็นเราถ้าเราขาดแคลนเดือดร้อนแล้วมีผู้ที่เขามี มาช่วยเหลือเรามาให้สิ่งของที่เราขาดแคลนเราจะมีความรู้สึกมีความสุขมากฉันใดเวลาเราให้ของคนอื่นที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยเหลือเขาอย่างเมื่อวานนี้มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาหาขอความช่วยเหลือเขาว่าข้าวของเงินทองของเขาหายหมด ไม่มีอะไรติดตัวติดตัวเลยไม่ทราบไปหายยังไงไม่ทราบเงินทองไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็สเปะสะปะไปพูดภาษาไม่รู้เรื่องคนไทยคิดว่าอยากจะมาหาพระเลยแนะนำให้ขึ้นมาที่ข้างบนเขาเห็นบอกเดินมาต้องสามชั่วโมงของเดินจากปากทางขึ้นมา ก็เชโชคดีมีญาติโยมท่านหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยคุยกับเขาถามว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการไปสถานทูตเพื่อจะได้ไปขอหนังสือเดินทางใหม่ตอนนี้ไม่มีเงินทองเลยญาติโยมท่านนี้ก็เลยขับรถพาไปส่งขึ้นรถตู้ไปกรุงเทพ แล้วก็จ่ายค่ารถให้แล้วก็ยังให้เงินติดตัวไปอีกจำนวนหนึ่งอ่า น, นี่คือการทาทานการช่วยเหลือผู้อื่นเวลาทำแล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาบุญนี้มีผลหลายอย่างอันนี้เป็นผลอันแรกที่เกิดขึ้นคือความอิ่มใจสุขใจ แต่มันยังมีอีกหลายอย่างที่ตามมาต่อไปคือบุญที่ผลที่จะได้จากบุญจากการทำทานนี้นอกจากมีความสุขใจอิ่มใจแล้วเราอาจจะได้รับความชื่นชมยินดีจากผู้อื่นผู้ที่เขาเห็นการกระทําของเราว่าเราทำในสิ่งที่ดีอาจจะมีการยกย่อง สรรเสริญจะอาจจะมีถ้ามีช่างภาพมีนักข่าวมาก็อาจจะเอาไปลงตีตีพิมพ์ไปประกาศให้ทราบคอนใจบุญเป็นอย่างไรซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวบางทีแท็กซี่เก็บกระเป๋าเงินได้แล้วก็เอาไปคืนเจ้าของเจ้าของก็ดีใจขอบอกขอบใจแล้วก็มอบรางวัลให้ อันนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าไม่มีใครรู้ก็อาจจะไม่มีใครมาสแสดงความชื่นชมยินดีหรือให้ดังวีรางหวานอนั้นผลอันนี้เราอย่าไปหวังอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดช้าอาจจะมีคนมารู้ทีหลังอะไรในภายหลังหรือว่า เราอาจจะไปเกิดอยู่ในเหตุการณ์แบบเดียวกันเราเกิดไปตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วก็อาจจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้อันนี้เป็นผลที่สองที่จะเกิดจากการทำความดีการทำทานผลที่สามความสุขใจที่เราได้เนี่ยมันจะยังฝังอยู่ในใจของเรา แล้วมันจะติดไปกับใจเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปถ้าใจเรามีบุญติดตัวไปบุญนี้ก็จะทำให้ใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปนี้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขอันนี้ไม่ได้เกิดจากการทำบุญเพียงครั้งเดียวหรือเกิดจากการทำบาปเพียงครั้งเดียวมันจะ ทำเราจะทำกันไปอยู่เรื่อยๆมากหรือน้อยก็แล้วแต่โอกาสบางคนก็ทำบ่อยทำมากก็จะมีบุญติดตัวไปมากบางคนทำน้อยมันก็จะมีติดตัวไปน้อยนี่นะคือผลที่จะได้รับหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วที่เราเรียกว่าคนทำบุญตายไปแล้วไปสวรรค์ความจริงสวรรค์นี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ สวรรค์นี้เป็นจิตใจเป็นดวงวิญญาณที่มีบุญหล่อเลี้ยงมีบุญให้ความสุขเราเรียกบุญจิตใจดวงนี้ว่าเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ความจริงสวรรค์ก็คือจิตใจที่มีความสุขนี่แหละจิตใจไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตใจอยู่ในโลกทิพย์ จิตใจมีความสุขมากก็ถือว่าอยู่สวรรค์ชั้นสูงจิตใจมีความสุขน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นชั้นต่ำแล้วก็พอพอบุญที่เราได้ทําไว้มันหมดมันก็เหมือนกับน้ํามันที่เราเติมในรถเนี่ยเราเติมน้ํามันในรถแล้วเราขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ํามันก็หมด พอหมดเราก็ต้องไปจอดที่สถานีบริการเพื่อไปเติมน้ำมันอันนี้ก็เหมือนกันพอบุญที่เราได้ทำไว้หมดดวงวิญญาณของเราก็จะกลับมาเกิดในโลกนี้ใหม่เพื่อมาเติมบุญเติมน้ำมันใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จาก ชีสูงก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเราสังเกตดูมนุษย์ที่มาเกิดนี้มีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันบางคนก็สุขสบายบางคนก็ทุกข์ยากลำบากตามหลักธรรมตามกฎแห่งกรรมท่านว่าพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สุขสบายนี้เป็นพวกที่กลับมาจากสวรรค์กันพวกที่ได้ทำบุญไปรับผลบุญ แล้วพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อนุอนอนุภาพของบุญที่ที่ยังมีข้างค้างอยู่ในใจมาทำให้มีเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีอยู่อยู่ดีกินดีมีฐานะดีมีมีอะไรต่างๆที่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้ทำบุญเลย เธอทำบุญน้อยทำบาปมากกว่าเวลาทำบาปนี้มันจะเป็นตรงกันข้ามกับเวลาทำบุญเวลาทำบาปเวลาเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไปขโมยเงินของชาวต่างประเทศคนนี้คนที่ไปขโมยเงินหรือไปเอาทรัพย์สินของคนชาวต่างประเทศคนนี้ไปเนี่ยใจจะมีความทุกข์ ตอนต้นอาจจะดีใจที่ได้เงินทองของเขามาแต่ต่อมาเดี๋ยวก็จะมีความกังวลกังวลว่ามีใครรู้หรือเปล่ามีใครเห็นหรือเปล่าจะมีใครจะไปแจ้งความหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของเงินที่เขาถูกแยงไปเขาจะมาตามล่างตามผานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทําบาปเกิดขึ้นในใจ ส่วนการที่จะถูกไปจับไปลงโทษหรือเปล่าหรือถูกเขามาลั่งแค้นหรือเปล่านี้อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วไม่มีใครรู้บางทีทำไปแล้วยังไม่มีผลไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ก็ลยไม่มีใครมาตามจับแต่ชาติหน้าหรือพบต่อๆไปเวลาคนที่เขาถูกเราทำร้ายนี่เขาเจอเราเขาจะจําเราได้ แล้วเขาก็จะเป็นจองเวนจองกรรมกับเราที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวนการทําบาปนี้เป็นการไปสร้างเจ้ากรรมนายเวนสังเกตดูคนที่เราพบปะในชาตินี้ทําไมเราเจอบางคนถึงก็ถึงไม่ชอบที่หน้าเราก็เพราะว่าเราอาจจะไปทําอะไรไม่ดีกับเขามาเขาถึงไม่ชอบที่หน้าเราเขาชอบกลั่นแกล้งเราชอบทำร้ายเรา อันนี้ก็เป็นว่าเป็นเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปของเราในอดีตเราไปทำบาปกับใครเขาไว้เวลาเขาเจอเราเขาก็จะทำร้ายเราจองเวรจองกรรมกับเราผลของการทำบาปก็จะทำให้เวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ มีอยู่สามชนิดด้วยกันทุกข์ด้วยความหิวทุกข์ด้วยความกลัวหรือทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาททุกข์ด้วยความหิวเ็าเรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความกลัวเรียกว่าสุลกายดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรกหรือถ้าไปได้ร่างกาย ก่อนจะได้มาได้ร่างกายมนุษย์ก็ไปได้ร่างกายของเดลฉ า, านก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนามีชีวิตที่แร้นแค้นยากจนเดือดร้อนมีสภาพที่ไม่น่าไม่น่ายินดีอันนี้เรียกว่า บาปถ้าเราอยากจะป้องกันบาปเราก็ต้องทำบุญที่เรียกว่าศีลศีลนี้แปลว่าการระ ง, งับการกระทำบาปเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่ไม่ทำบาปแล้วจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจใจจะเย็นใจจะสบายแล้วเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลบาป ดวงวิญญาณไม่ต้องไปเป็ น, เ ป, นเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ถ้าไม่ได้ทำบาปเลยแต่ไม่ได้ทำบุญด้วยก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ตายไปก็ไม่ไปอบายไม่ไปสวรรค์ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือละเว้นจากการทำบาปห้าข้อด้วยกันคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุ ร, รายาเมาและอบายามุขต่างๆเป็นการกระทาที่จะสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจ ถ้าใจไม่ต้องการที่จะมีความวุ่นวายทุกกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้อันนี้ก็คือบุญข้อที่สองเป็นบุญหลักที่เราควรที่จะรักษากันให้ได้ทุกวันทุกเวลาทานก็ควรจะทําตามกําลังของเรามีมากก็ทํามากคือมีเงินที่เหลือกินเหลือใช้ที่เรา ไม่จําเป็นที่จะต้องอใช้มันเก็บไว้ก็อาจจะต้องเก็บไว้บางส่วนก็ได้เผื่อวันข้างหน้าถ้าเก็บแล้วยังมีเหลืออยู่ก็เอาไปทําบุญทําทานหรือถ้าเราคิดว่าวันข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนอ า, อาจจะตายก่อนก็ได้เก็บแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ถ้าเอามาทําบุญจะได้ประโยชน์กว่า เพราะถ้าเป็นบุญแล้วมันติดตัวไปกับเราได้ถ้ายังเป็นเงินทองอยู่เวลาตายไปเงินทองเอาไปไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็อาจจะเก็บไว้น้อยหน่อยแล้วก็ทําบุญมากเพราะคิดว่ายังไงยังไงก็หาได้เงินทองถ้าเรารู้จักหาแล้วก็หาได้อยู่เรื่อยๆแต่ก็ควรจะเก็บไว้บ้างเผื่อวันที่เราเ ร่างกายของเราเกิดเสื่อมสภาพไปไม่สามารถทํางานทําการหาไรายได้ได้ก็ควรที่จะมีอะไรไว้สําหรับสําลองไว้บ้างก็ก็ก็แบ่งเอาก็แล้วกันว่าควรจะเก็บเท่าไหร่ควรจะเอาไปทําบุญเท่าไหร่ทําบุญมากตายไปก็จะสบายมากทําบุญน้อยก็จะสบายน้อย ้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาสบายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ซึ่งเหลือเวลาไม่ไม่กี่ปีหรือเราจะเอาสบายเวลาที่เราตายไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นหลายร้อยปีก็ได้ดวงวิญญาณนี้เวลาที่ตายไปแล้วกว็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้อาจจะอยู่ในสภาพของของความสบายหรือของความทุกข์ไปเป็ น, นเวลาอันยาวนานอาจจะเป็นร้อยๆอยปีก็ได้ กว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือทานสองชนิดที่เราบุญสองชนิดแรกชนิดที่หนึ่งคือการท ำ, ท, ำทานให้ทานจะทำกับใครก็เป็นทานเหมือนกันทำกับพระก็เป็นทานทำกับคารวะญาติโยมด้วยกันก็เป็นทานเพียงแต่เรา <Kyoto S 2> uh, ประเพณีนิยมเราจะเรียกเวลาทากับพระว่าทำบุญเวลาเราทำกับขอทานเราถึงจะเรียกว่าให้ทานแต่ความจริงเป็นการให้เหมือนกันให้ข้าวของเงินทองเหมือนกันให้ข้าวของเงินทองกับวัดให้ข้าวของเงินทองกับขอทานมันก็เป็นการให้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจ สบายใจอิ่มใจเหมือนกันนี่คือบุญสองชนิดที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขจะทำให้จิตใจของเรากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ส่วนบุญข้อที่สมบุญที่จำเป็นที่เราควรจะทำกันเป็นประจำก็คือ บุญที่เกิดจากการภาวนาคาว่าภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี้มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งทำใจให้สงบเพราะใจสงบแล้วจะทำให้ใจมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่สงบอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งพัฒนาจิตใจให้เพิ่มความสุขขึ้นมาในใจ ความสุขที่เราได้จากการทาทานจากการรักษาศีลนี้ยังอยู่ในระดับไม่สูงพอยังไม่มากพอยังมีความสุขที่สูงกว่าที่เราจะได้จากการภาวนาดงั้นหลังจากที่เราทำบุญทาทานรักษาศีลได้แล้วเราก็ต้องมาหัดภาวนากันมาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน นี่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาแปลว่าทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาดเพราะความฉลาดของใจจะทำให้สามารถรักษาความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิให้เป็นความสงบที่ถาวรได้ การนั่งสมาธินี้เราจะได้ความสงบชั่วที่เรานั่งสมาธิพอเราออกจากสมาธิมาพอเรามาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพบกับเหตุการณ์ น, นั้นเหตุการณ์ น, นี้ความสงบก็อาจจะหายไปได้ความวุ่นวายใจก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีขั้นที่สองคือมีปัญญาปัญญาจะสอนใจให้ปล่อยวาง เหตุการ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับใจเพื่อรักษาใจให้อยู่ในความสงบต่อไปได้แล้วก็จะสงบแบบถาวรเพราะปัญญาจะกาจัดตัวที่ไปสร้างความวุ่นวายใจตัวที่สร้างความวุ่นวายใจก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากให้เหตุการ์นั้น <S <S เหตุการน์ น, <S <S ารนี้เป็นอย่างนั้น <S <S เป็นอย่างนี้ อันนี้แหละที่ทำให้ใจวุ่นวายเวลาอยากให้เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นใจก็วุ่นวายขึ้นมาถ้าไม่อยากให้วุ่นวายใจก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามเหตุการณ์ของมันมันจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปถ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าทำได้ก็ทาไปอันนี้จะทาให้เราไม่วุ่นวายใจไปกับ เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆต้องใช้ปัญญาต้องเห็นความจริงว่าเรื่องราวต่างๆนี้มันไม่ได้อยู่ในกรอบในควาการควบคุมบังคับของเราได้เสมอไปบางเวลาเราก็ควบคุมได้บางเวลาเราก็คว บ, บวควบุมไม่ได้ทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันหลายด้านด้วยกัน เช่นรายได้ของเรานี้เราจะไปสั่งว่าต้องได้อย่างนี้ทุกเดือนทุกปีมันไม่แน่นอนบางทีมันก็ได้มากบางทีมันก็ได้น้อยถ้าเราไปอยากให้มันได้มากแล้วมันได้น้อยเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาได้เห็นเราถ้าไม่อยากจะวุ่นวายใจก็ยินดีกับสภาพที่มันเกิดขึ้นได้น้อยก็ยินดีได้มากก็ยินดี แล้วใจจะไม่วุ่นวายอันนี้เป็นการรักษาใจให้มีแต่ความสงบไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเกิดจากการที่เรามาภาวนากันขั้นที่หนึ่งเราต้องรู้จักควบคุมใจให้อยู่ในความสงบโดยการใช้สติเป็นตัวบังคับคือบังคับใจให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลา อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเวลาคิดแล้วจะเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อารมณ์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวช่วงช่วงที่เราไม่ได้คิด แต่พอเราเริ่มคิดมันก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายได้ถ้าไม่อยากให้วุ่นวายเวลาที่คิดก็ต้องสอนใจให้คิดไปในทางที่ถูกคิดว่าเรื่องราวต่างๆนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้อะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับถ้าเราห้ามมันไม่ให้เกิดได้อะไรจะดับ ถ้าเราไปยับยังไม่ได้มันก็ต้องดับเช่นร่างกายของคนนั้นคนนี้เขาเวลาเขาตายเราจะไปยับยังไมมเขาตายก็ยับยังไม่ได้ตายไปเราไปร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ทำให้เขากลับมาสู้จะอยู่เฉยๆดีกว่ารับรู้เฉยๆดีกว่าว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาใจเราจะไม่โวยวาย ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราจะรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จะไปทำอะไรไปร้องห่มร้องไห้ไปตีโพยตีพายไปอะไรก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั่นแต่อย่างใดอันนี้คือการภาวนามีสองระดับระดับแรกต้องหยุดความคิดให้ได้พอหยุดได้แล้วใจจะว่างจะสบาย แล้วถ้าต้องคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่จะทําให้ใจเราไม่วุ่นวายคือต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในโลกนี้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงๆมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีเกิดบ้างมีดับบ้างบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องยอมให้มันเป็นไปคือเราต้องปล่อยวาง อย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะมันจะทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราปล่อยวางยอมรับสภาพอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าภาวนาเป็นบุญชนิดที่สามเป็นบุญที่สูงสุด เป็นบุญที่จะสามารถกาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทำให้ใจนี้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่วุ่นวายได้ตลอดเวลาแต่การที่เราจะมาภาวนาด้านนี้เราต้องอาศัยบุญข้อที่สคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่เอง เราต้องศึกษาวิธีสร้างบุญว่าสร้างอย่างไรการฟังธรรมนี้เป็นการเรียนวิธีสร้างบุญนั่นเองถ้าฟังธรรมแต่ละครั้งนี้เราจะได้ยินเรื่องทานเรื่องศรรีล เ, เรื่องภาวนาเสมอพระจะสอนให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆลึกซึ้งลึกมากน้อยมากน้อยก็อยู่ที่ผู้ฟังว่าอยู่ในระดับใด เพราะผู้ฟังที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าพูดไปลึกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีส่วนผู้ที่ปฏิบัติถ้าพูดไม่ลึกก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาปฏิบัติไปถึงขั้นที่ลึกแล้วถ้าไปพูดขั้นที่ไม่ลึกเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์เราอยากจะฟังขั้นที่ลึกกว่าที่เขาเป็นอยู่เราจะได้เข้าไปลึกเ ข, เข้าไป ล, ลึกขึ้นได้มากขึ้นไป อันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังไม่รู้จักธรรมะคือวิธีสร้างบุญว่าสร้างอย่างไรว่าบุญมีกี่ชนิดชนิดไหนจาเป็นต่อต่อเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อย่างไรอันนี้บุญมันบางชนิดมันมีไว้ฉเฉพาะสำหรับเหตุการณ์เราจึงเรียกว่าเป็นบุญเสริม บุญที่เป็นบุญหลักนี้มันเป็นบุญที่สําคัญต่อการรักษาจิตใจให้เราอยู่เป็นปกติสุขไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ต้องอาศัยบุญหลักคือทานศีลภาวนาแล้วก็การฟังเทศฟังธรรมบุญอีกข้อหนึ่งที่เป็น ถ, ถือว่าเป็นบุญหลัก แต่เป็นบุญที่ตามมาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญานี้เองการมีความรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปการที่รู้ว่าจิตใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจตายไปแล้วจิตใจไปรับผลบุญผลบาปต่อแล้วหลังจากรับผลบุญผลบาปต่อก็กลับมาเกิดใหม่ และอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจกลับมาเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี่ถ้าไม่อยากให้ใจกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องกาจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปการจะกาจัดความอยากให้หมดสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทานศีลภาวนานีอ่อันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องบางคนอาจจะมีความเห็นนี้ติดตัวมาแต่ชาติก่อนแล้วก็ได้ บางคนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นที่ถูกต้องบางคนเป็นคนฉลาดอาจจะศึกษาเองได้ค้นคว้าเองได้ก็มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเองได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่สําคัญเพราะเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทําอะไรได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่มีความเห็นผิดเราก็จะไปทำสิ่งที่ผิดเนถ้าเรามีความเห็นว่าตายแล้วสูญอย่างนี้ตายแล้วไม่มีการไปเกิดใหม่คิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นส่วนเดียวกันเวลาตายแล้วก็จบบุญที่ทำมาก็ไม่มีผลตามมาบาปที่ทำไว้ก็ไม่มีผลที่จะต้องไปรับตายแล้วก็ไม่ไปเกิดใหม่เพราะไม่รู้ใครไปเกิดใหม่ เห็นแต่ร่างกายกลายเป็นขี้เท่าไปเวลาเอาไปเผาเรือเอาไปฝังดินก็กลายเป็นเศษดินไปก็เลยไม่คิดว่าจําเป็นที่จะต้องทําบุญเรื่อรละรักษาศีลแต่อย่างใดทําก็จะได้ประโยชน์เฉพาะช่วงที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ทําแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เช่นทําความดีแทบเป็นแทบตายอาจจะไม่มีใครเข้าเอ ให้ความดีความชอบกับเราก็ได้ก็จะทำให้คนท้อแท้ต่อการทำความดีทำบุญกันทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไอันนี้เป็นเป็นความเห็นที่ผิดเพราะเห็นว่าคนบางคนทำชั่วกับได้ดิบได้ดีโกงกินการรับชั่นแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตคนที่ธรรมะกินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่ได้อะไรมากมาย ก็เลยทำให้มองเห็นเพียงแต่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติเท่านั้นก็อาจจะทำให้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปได้นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐินี้จำเป็นที่จะต้องมาแก้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือต้องเข้าใจว่านอกจากร่างกายแล้วมันมีจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จิตใจนี่แหละผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ไปเกิดใหม่ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปที่เวลาไปเกิดใหม่ไปเกิดดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้ในชาตินี้และช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะอยู่แบบเป็นดวงวิญญาณแบบมีความสุขหรือดวงวิญญาณที่มีความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเราโชคดีชาตินี้เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนสัมมาทิฏฐิสอความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยื่อเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องเหล่านี้เรื่องของจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรื่องของจิตใจผู้เป็นผู้เป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ทาบาปและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปร่างกายเป็น คนรับใช้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองร่างกายจึงไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปคือใจอนี่คือบุญที่เราถือว่าเป็นบุญหลักที่เราจะต้องมีในการที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขให้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พอถ้าเรามีบุญเหล่านี้เราจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจและเป็นตัวที่ดึงใจให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ เ, เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ใจของพุทธเจ้าได้บำเพ็ญด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยสัมมาทิฏฐิ สมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีสัมมาทิฏฐิสอนพระพุทธเจ้าเลยต้องเป็นผู้ค้นหาเองค้นคว้าหาในที่สุดก็ได้สัมมาทิฏฐิได้เห็นว่าสิ่งที่ไปเกิดคือใจสิ่งที่พาให้ไปเกิดคือตัณหาความอยากสิ่งที่จะหยุดก็คือภาวนาด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นบุญที่ชาวพุทธเรา ควรจะให้ความสำคัญเป็นเหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาถึงจะทาให้ร่างกายอยู่อย่างเย็นเป็นสุขบุญเหล่านี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของจิตใจทำบุญทาทานก็เหมือนให้อาหารใจรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับให้เสื้อผ้าอาภรรก่จิตใจคุ้มครองป้องกันภัยที่เกิดจากการกระทำบาป การภาวนาก็เป็นเหมือนการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับจิตใจเวลาภาวนาก็จะได้ที่สงบที่สงบก็เป็นเหมือนบ้านของใจแล้วปัญญาก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจรักษาโรคของความเครียดต่างๆความทุกข์ต่างๆอันนี้เรียกว่าปัจจัยสี่ของใจเป็นบุญหลักแต่นอกจากบุญหลักนี้แล้วเรายังมีบุญเสริมอีกที่เราอาจจะต้องทา ตามเหตุการณ์ตามตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นเรามีเพื่อนมีมีญาติพี่น้องมีผู้มีพระคุณเวลาเขาตายไปเนี่ยดวงวิญญาณเขาอาจจะรอรับส่วนบุญของเราอยู่เวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญกันอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญอีกชนิดหนึ่งแบ่งบุญให้แก่ผู้อื่นก็ถือว่าได้บุญเพิ่มอีกได้บุญที่เกิดจากการอุทิศ คือได้ความสุขใจได้ความสุขใจจากการทำบุญแล้วยังได้ความสุขใจจากการส่งบุญไปให้ใหกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยอันนี้ก็เราก็ทำตามวาระโอกาสตามเหตุการณ์ส่วนใหญ่มักจะทำช่วงงานศพกันเวลามีงานศพทีมีศพทีเราก็จัดงานศพกันเจ็ดวันบ้างเก็บศพไว้ห้าสิบวันร้อยวันว่างเพื่อทาบุญกัน ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญเราควรที่จะสาธุแสดงความชื่นชมยินดีไปกับการทำบุญของเขาเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุขด้วยการที่เรามีความยินดีอย่าไป รังเกียดหรืออย่าไป อ, าอย่าไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นเราอาจจะไม่เชื่อคนบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าทำบุญแล้วไม่ได้อะไรพอเห็นใครทำบุญก็จะไปมักไปห้ามขอยอย่าไปทำเลยทำเสียเงินเปล่าๆเอาเงินไปกินเหล้าไปเที่ยวกันดีกว่าอย่างงี้ไม่ควรทำนะถ้าใครเห็นใครก็ทำบุญก็สาธุไปดีแล้วได้ประโยชน์จิตใจมีความสุข ตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาเกิดใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่าต้องสาธุต้องยินดีชื่นชมยินดีเรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับเขาเพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขพอเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ แล้วมีบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่กับคนหลายระดับด้วยกันคนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ตามแต่มีฐานะต่างแตกต่างกันมีวัยวุษมีมีปัญญาวุษมีอะไรที่ไม่เหมือนกันมีสูงมีต่ำกว่าเราต้องมีความอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ที่เขาสูงกว่าเรามีความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่าและผู้ที่ต่ำกว่าเราก็ไม่อวดเบ่งอวดดีไม่ไปไปแสดงความอะไรใหญ่โตให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะจะอยู่กับใครมันสบายกว่าไม่มีใครชอบอยู่กับคนที่อวดเบ่งอวดเก่งอวดดี คนที่ไม่อวดเก่งอวดดีนี่อยู่กับใครก็มีแต่คนก็ยินดีเราก็จะมีความสุขในการที่เราจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าเราอวดเก่งนี้เรามักจะต้องอยู่คนเดียวถ้าเก่งจริงก็ไม่ต้องมายุ่งกันก็ไปอยู่ของคุณเองจะไม่มีเพื่อนฝูงจะอยู่แบบไม่มีความสุขยังถึงแม้เราจะเก่งเราไม่ต้องอวดเก่งถึงแม้เราจะดีไม่ต้องอวดดี อย่าถือตนอย่าถือว่าตนเองสูงกว่าผู้อื่นให้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้แล้วจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญอีกข้อหนึ่งก็บุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นเราอาจจะไม่มีเงินทองที่จะไปทำบุญทาทานแต่เราอาจจะมีเวลาว่าง สามารถที่จะไปทำงานอาสาสมัครได้ต่างๆไปเป็นอาสาสมัครจิตอาสาตอนนี้เขามีการรณรงค์ให้ทำจิตอาสาให้ช่วยทำประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะสังคมเราจะอยู่กันได้ก็อยู่ที่การร่วมร่วมร่วมแรงร่วมมือการช่วยเหลือการช่วยดูแลรักษาสังคมที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเราพอที่จะมี ความสามารถที่จะช่วยได้เราก็ไปช่วยเช่นไปเป็นอาสาสมัครป้องกันตึงร่วมกันยูหรืออาสากาชาติอาสาอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นบุญเพราะได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องไปทำกับพวกอาสาก็ทำกับใครก็ได้เห็นคนแก่เดินข้ามถนน ก็ช่วยพยุงคนแก่ข้ามถนนไปก็ได้เห็น mm. สมัยก่อนนี้ถ้านั่งรถเมน์นี่ถ้าผู้หญิงขึ้นรถนี้ถ้าผู้ชายนั่งอยู่นี่จะต้องลุกขึ้นให้ผู้หญิงนั่งให้คนแก่นั่งแต่สมัยนี้ไม่มีความบุญแบบนี้แล้วนั่งแล้วก็หลับตาไม่มองใครทั้งนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่ก็ปล่อยให้ก็ยืนไป อันนี้ขาดขาดบุญอันนี้สมัยก่อนนี่สมัยเด็กๆเราจำได้พอขึ้นรดเมนี้ผู้ใหญ่เห็นเด็กขึ้นลุกกนละให้เด็กนั่งแล้วเห็นผู้หญิงขึ้นมาใ ห, ให้เขานั่งก่อนผู้ชายต้องเสียสละอันนี้เป็นถูกปลูกฝังไว้ในสมัยโบราณให้มีการเสียสละให้มีการช่วยเหลือผู้ที่เขาลำบากกว่าเราแต่สมัยนี้ไม่ค่อยได้เข้าวัดกันคนไม่ได้เข้าวัดกัน ยึงไม่รู้เรื่องวิธีทาบุญต่างๆยึงไม่ค่อยมีการทำบุญสังคมก็เลยกลายเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบกันแก่งแย่งชิงดีกันไม่มีการแบ่งปันไม่มีการเสียสละมีแต่การเบียดเบียนกันสังคมเรานี่ถึงวุ่นวายกันมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่มีคนเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆก็จะรู้บุญสิบประการนี่ ก็จะทําบุญกันอจะไม่เบียดเบียนกันจะรักษาศีลเอมีอะไรที่จะให้ได้ก็ให้มีอะไรที่จะช่วยได้ก็จะช่วยอันนี้คือเรื่องของบุญเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสังคมของเราในปัจจุบันนี้สังคมของเราในปัจจุบันนี้เป็นสงฆ์เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว ก็เลยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยมีความสุขกันบางทีอยู่บ้านติดกันอยู่ตึกเดียวกันยังไม่รู้จักกันเลยเป็นอะไรก็ไม่มีใครไปเหลียวแลไม่มีใครไปดูแลเพราะไม่ได้มีการสั่งการสอนให้มีการช่วยเหลือกันดูแลกันให้มีความเมตตาต่อกันก็ต้องอยู่กันแบบเนี่ยตัวใครตัวมันถ้าเวลาตกทุกข์ได้ยากก็ ก็ต้องทุกไปเพราะจะไม่มีใครมาช่วยเหลือกัน น, นี่คือบุญที่เรียกว่าบุญเสริมทำไปตามวาระโอกาสทำไปตามเหตุการณ์บุญเสริมข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆเรามีธรรมะเราเห็นคุณค่าประโยชน์ของธรรมะถ้ามีใครเขาเดือดร้อน ถ้าเขายินดีที่จะฟังหรือยินดีที่จะรับธรรมะเราก็เอาธรรมะไปให้เขาช่วยเหลือเขาให้ธรรมะนี่มันจะช่วยกําจัดความทุกข์ได้ช่วยอย่างอื่นนี่มันกําจัดความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายเท่านั้นเช่นให้เข้าของเงินทองก็จะไปบรรเทาทุกทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่แตความทุกข์ทางใจก็ยังจะไม่หมด แต่ถ้าให้ธรรมะแล้วถ้าเขารู้จักธรรมะเช่นได้ได้ยินได้ฟังธรรมสิบบุญสิบประการนี้แล้วถ้าเขาสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เขาก็จะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้เรียกว่ า, าธรรมทานเป็นการให้ที่เหนือกว่าดีกว่าการให้ทั้งหมด การให้นี่มีอยู่สามสี่ชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็ให้เข้าของเงินทองเช่รนราชโยมวันนี้ก็มาให้เข้าของเงินทองเอาเครื่องใช้ไม้สอยของใช้ที่จำเป็นให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้บรรเทาความขาดแค้นความเดือดร้อนเรียกว่าให้วัตถุทานบางท่านอาจจะไม่มีเข้าของเงินทองแต่มีวิชาความรู้ก็อาจจะเอาวิชาความรู้ไป ไปสอนผู้อื่นเช่นไปเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองให้ผู้อื่นได้รับความรู้เพราะความรู้นี้เขาสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานส่วนการให้ธรรมะก็คือถ้าเรารู้ธรรมะแล้วเห็นใครเขาทุกข์วุ่นวายใจเราสอนธรรมะให้กับเขาแต่ต้องดูก่อนว่าเขายินดีจะฟังหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ยินดีก็สอนไม่ได้ให้เขาไม่ได้หรือว่ามีหนังสือธรรมะดีๆเราอยากจะเอามาพิมพ์แจกจ่าย ใ, ให้คนอื่นก็ได้เพื่อคนอื่นจะได้อ่านหนังสือธรรมะที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แก่จิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะนี่มีคุณประโยชน์มากกว่าให้วิทยาทานมีคุณประโยชน์กว่าการให้วัตถุทาน วพราวัตถุทานนี้จะไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายวิทยาทานก็จะให้ความรู้ที่จะได้ไปรรมะหากินมีรายได้เพื่อที่จะได้มาบรรเทาความทุกข์ยากทางร่างกายแต่ทานสองชนิดนี้ไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ทางใจได้สิ่งที่จะมากำจัดความทุกข์ทางใจได้คือธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า และไม่มีอะไรที่จะอันตรายร้ายกาจยิ่งกว่าความทุกข์ทางใจเพราะความทุกข์ทางใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายแล้วก็มีอายุยืนยาวนานกว่าความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายก็แค่พอตายไปก็หมดแต่ความทุกข์ทางใจนี้มันมีต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเนี่ที่ต้องไปเกิดในอบายกันนี่ก็เพราะความทุกข์ทางใจนี้เอง ที่เกิดจากการทำบาปแต่ถ้าได้ยินได้ฟังรมแล้วก็อาจจะเลิกทำบาปก็ได้อย่างองคุลิมานี่ก็ถูกรอกว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมขั้นสูงต้องไปฆ่าคนหนึ่พันคนฆ่าได้แล้ว 90, 99้าสคนมาเจอพระพุทธเจ้าเป็นคนที่1000พแต่ก็ไม่สามารถฆ่าได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิฤทธิสามารถทำให องค์ุลิมาวิ่งไล่ไม่ทันวิ่งไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันอย่างจนถึงต้องตะโกนไปบอกว่าท่านหยุดเถิดเราวิ่งไล่ไม่ทันแล้วพระเจ้าก็ย้อนกลับว่าเราหยุดต้องนานแล้วเธอต่างหาที่ยังไม่หยุด อ, อ, องค์คุลิมาก็เลยสงสัยว่าไม่ได้หยุดอะไรผมวิ่งแทบเป็นแทบตายท่า น, น่ะทําไมผมต้องตามท่านไม่ได้ เขจะาก็บอว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้พอพูดอย่างนี้ก็ได้สติขึ้นมาว่าอ๋อการที่มีความโลภอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วต้องฆ่าคนเพื่อที่จะให้เป็นใหญ่เป็นโตนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่ความความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการฆ่าความโลภความโกรธความหลงให้มันตายไปจากใจพอองคุลิมาได้ยินได้ฟังธรรมก็เลยกลับใจได้ กลับตัวได้มาปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องไปใช้บาปกรรมที่ได้ทำไว้ที่เกิดจากการฆ่าคนถึงเก้า้อยเก้าสิบเก้าคนเพราะว่าถ้าได้ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมีการไปเกิดอยู่ในภพไหนต่อไปถ้าหยุดใจได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็จะไม่มีตัวดึงใจให้ไปเกิดในอบายไม่ให้ไปเกิดใน สวรรค์ไม่ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อไม่มีการเกิดการจะไปรับใช้โทษก็จะไม่มีตามมานี่คือประโยชน์จากการได้ฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราในตอนนี้ให้หมดสิ้นไปได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคโชนได้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญสิประการที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดมาบอกเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย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 จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพภิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตารโหัมมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา362 YouTube 224วิทยุออนไลน์26 รับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบสามครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะ ส, สงสัยไม่เข้าใจในเรื่องใดอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่กล้าถามเองก็เขียนใส่กระดาษไว้ก็ได้แล้วส่งขึ้นมาแล้วจะให้ ทางพิธีกร อ, อ่านให้ถามได้เลยหลวงพ่อคะออในเรื่องบุญเนี่ยมีเรื่องศีลทานศีลแล้วก็ภาวนาแต่นี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มีบา ร, รมีเพียงพอในการที่จะสามารถละ ก, กิเลสได้อยากจะเรียนถามว่าบุญกับบา ร, รมีต่างกันหรือไม่อย่างไรคะก็เป็นเครื่องมือที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆสร้างความทุกต่างๆซึ่งเป็นส่วนบา ร, รมีบางอย่างก็เป็นส่วนองค์ประกอบที่จะช่วยในการทำบุญให้สำเร็จบุญนี้เป็นตัวงานแต่อาจจะต้องมีเครื่องมือในการช่วยทำให้ตัวงานนี้ดาเนินไปได้เช่นต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีคือต้องมีความตั้งใจ คนที่มีความตั้งใจแน่วแ่เรียกว่าคนที่มีคือไม่เปลี่ยนใจว่าต้องตั้งใจต้องมีสัจจะอธิษฐานอันนี้ต้องเป็นการหัดฝึกฝนสอนตัวเองให้มีความมีความสามารถในทางนี้ต้องต้องตั้งใจอยู่เรื่อยๆว่าจะทำอะไรแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนใจ เรียกว่าสัจจะถ้าเปลี่ยนใจก็ไม่มีสัจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าไม่มีสัจจะการที่จะสร้างบุญต่างๆเหล่านี้ได้ต้องมีความตั้งใจก่ว่าจะตั้งตั้งใจจะสร้างบุญต่อไปนี้จะทําบุญจะไม่ทํางานแล้วการตั้งใจก็คือเป็นเหมือนการตั้งเป้าตั้งเป้าของงานที่เราต้องการทําตอนนี้ส่วนใหญ่เราเป้าของเราอยู่ที่การทํางานหาเงินหาทองหาข้าวหาของ หาความสุขทางร่างกายกันแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราอยากจะสร้างความสุขที่ใหม่ที่ดีกว่าคือการมาสร้างบุญเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนเป้าหมายของจิตใจของเราต่อไปนี้เราจะไม่ทำงานแล้วจะลาออกจากงานถ้ายังไม่พร้อมก็จะ กำหนดเวลาว่าอีกหกเดือนอีกปีหนึ่งนี่ถ้าไม่ตั้งเป้ามันจะไม่มีมันจะไม่มาเข้าใจไหมกิเลสมันไม่ชอบมาทางธรรมะกิเลสมันพยายามดึงใจให้เราไปทางทางโลกทางการหาลาภยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายถ้าเราอยากจะมาสร้างบุญสิบประการนี้ทานศีลภาวนานี้เราต้องตั้งเป้าแล้ว ว่านี่คืองานของเราเราต้องการเปลี่ยนงานเหมือนตอนนี้เราเป็นหมออยากจะลาออกจากงานแล้วจะไปเป็นแม่ชีอย่างนี้เพื่อเราที่จะได้ทํางานทานศีลภาวนาได้อันนี้ต้องตั้งเป้าก่อนถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่มีวันที่จะไปทำเหมือนเราจะไปทำอะไรเราต้องตั้งเป้าก่อนเช่นกุ จ, จีนี่ไปเที่ยวที่ไหนดีตั้งตั้งเป้าแล้วใช่ไหม ไปญี่ปุ่นดีหรือไปเกาหลีดีหรือไปเมืองจีนดีหรืออยากจะไปเมืองฝรั่งต้องตั้งเป้าวางแผนไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งเป้าเดี๋ยวถอถึงเวลาตูดจีนจะไปไปไม่ได้มันต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อตั้งตั้งเป้าแล้วเรียกว่าที่ฐานแล้วต้องมีสัจจะสัจจะคือความแน่วแน่จริงใจไม่โลเลไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตั้งวัจัยว่าจะทําอะไรก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่าสัจจะพอมีสัจจะมีอธิษฐานมีการตั้งเป้าแล้วพอถึงเวลาจะต้องทําก็ต้องมีวิริยะความพยายามมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อมีความพยายามหมั่นเพียรแล้วก็ยังต้องมีความอดทนเพราะเวลาทําอะไรเดี๋ยวต้องเจออุปสรรคต่างๆ ถ้าใจไม่แน่วแน่ใจไม่แข็งแกร่งไม่มีความอดทนพอไปเจอความทุกข์ยากลาบากหรือเจออุปสรรคหน่อยก็ไม่เอาละเลิกเปลี่ยนใจอย่างนี้ก็ล้มเหลวการมาทาบุญการมารักษาศีลการมาภาวนานี่มันมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีความพยายามอยู่ดีๆมันไม่ไม่มีใครชอบรักษาศีลกันชอบโกหกกันมากกว่า โกหกมันง่ายกว่าพอจะมารักษาศีลไม่พูดโกหกไม่มาเอาของลักทรัพย์ของคนอื่นไม่มาทำอะไรอย่างนี้มันจะรู้สึกยากขึ้นมาฉะนั้นต้องมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนถึงจะสามารถทำให้เกิดบุญต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ านบารมีกับบุญก็เหมือนกันบางทีเราใช้ควบคู่กันไปเรียกว่าบุญบารมีบารมีคือคนที่ทำบุญเหล่านี้แล้วจะเป็นคนที่มีบารมีไงคนที่มีชีวิตที่ดําเนินไปแบบว่ามีเป้าหมายไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เล่ร่อนแพนจรไปทําอะไรทําไปตามอารมณ์วันไหนอยากทําก็ทํวันไหนไม่อยากทาก็ไม่ทา ก็เลไม่สำเร็จกับเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งแต่คนที่มีความตั้งใจมีสัจจะนี้จะไม่เปลี่ยนใจจะตั้งเป้าแล้วก็จะดำเนินด้วยความเพียรด้วยความอดทนอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้ถ้ามีบรารมีสี่ข้อนี้อยากเป็นหมอก็เป็นได้อยากจะเป็นนายกก็เป็นไดอ้อันนี้คือเรื่องของบรารมีอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ อยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็หลุดพ้นได้ต้องมีบารมีเหล่านี้เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ<ม>ทานศีลภาวนาพอจะเข้าใจนะอ่ามาแล้ววันนี้ชอบถามถามนะอย่าบรรยายนะไม่บรรยายครับ ญญสมั ย, ส ม, ยสมัยหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวนะครับถามถามถามไม่ต้องที่ประเทศที่ประเทศไทยเป็นหนี้ห้าแสนล้านเนี่ยหลวงตาใช้บุญโดยการให้คนทั้งประเทศเนี่ยทอดพระปาอย่าอย่าไปพาดพิงคนอื่นแล้ว เ, เรื่องของคุณดีกว่าเองเรื่องของผมตัวนี้ปตทนะครับเขาขุดน้ํามันเนี่ยเอย่าเอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องโลกอย่ามาเอาบุนเรื่องปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงครับให้ให้มันมาอยู่ที่ราคาที่ปากบอกไม่ได้เอาไปราคาลงกันครัน ไม่ใช่เรื่องแล้วไม่ใช่ปัญหาธทำแล้วไม่มีวิธีใช้แล้วเรื่องของทางโลกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วดับฮตายไปไม่มีใคราวไปได้หรอกถ้าอย่างนั้นนแี้ก็พอใครอย่างนั้นขอเออวิธีสั้นๆเนี่ยโยมมาขอความเมตตาที่จะปฏิบัติโยมอยากสติสั้นๆที่สุดก็คําเดียวสติอยู่คิด หยุดคิดถึงปตทอยุดคิดถึงนองตาไม่ไม่ไม่คิดแล้วหยุดคิดอดีตคิดเรื่อนะคตดอาปัจจุบันให้รู้เฉยๆรู้ว่าเรากําลังทําอะไรแล้วอย่าให้มันผิดพลาดนั้นพอแล้วคิดออกจากกองทุกอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดก็จะจากกองทุกมันต้องหยุดคิดมันถึงจะออกได้ยิ่งคิดมันยิ่งติดนั้นอย่าไปคิดอะไรเลยหยุดคิดอย่างเดียวใช้สติพุทโธพุทโธอย่างเดียว มันห้ามไม่อยู่ครับอาจารย์มันอยากจะออกจากการ<น> ท, ทุกท่า <ๆ S 1> เดียวนี้อย่างเงี้ยสอนเรืยังยังเถียงเลยแล้วเรจะสอนอยังไงว ะ, <S <S 1> <S 1> อะอ๋อสอนคนเด้อเนี่ยรู้เลไเนี่ยไม่ฟังนะคำถามจากทางบ้านนะครับคุณชรินทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจะมีธรรมะใดให้หายจากคนขี้กโกรธ ขี้งดงิดชอบเถียงและอีโคสูงนี่นะคุณตอบ <laughs> สติไงหยุดมันเยมันอีโคสูงก็หยุดมันมันคิดมากก็หยุดมันพุโทโธพุโทโธไปพอหยุดคิดแล้วทุกอย่างก็หายไปหมดอย่างหัดพุดโทโธเถิเนี่เนี่ยของมีค่าของสําคัญเหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ยคุณจะขับรถยนต์ไปไหนได้ถ้าไม่มีกุญแจก็จบใช่ไหม ถ้าคุณมีกุญแจปั๊บก็เปิดประตูรถได้สตาร์ทรถได้ขับเข้าเกียร์วิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าต้องการให้ไปนิพพานไปสวรรค์ไปที่ดีต้องมีสติเป็นตัวพาไปคำถามต่อไปจากคุณอู๋กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทำบุญโดยการปล่อยชีวิตสัตว์เช่นปล่อยปลา พอได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระและเราเกิดความสุขเราอุทิศบุญให้ผู้เสียชีวิตในขณะนั้นเลยถ้าผู้เสียชีวิตอยู่ในฐานะที่จะรับบุญได้บุญชนิดนี้สามารถถึงผู้รับได้ไหมคะได้ได้เป็นทานอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำทานนี้มันเกิดทันทีแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวานานี่มันยังไม่เกิดเหมือนกับกำลังเพาะปลูกอยู่กาลังปลูกบุญอยู่ ถ้าจะส่งให้คนคนที่รอบุญแบบนี้ก็ตายไปสักก็ก็ <c oughs> <c oughs> หิวโหยไปอีกหลายหลายปีเพราะการจะรักษาสี ใ, ให้บริสุทธิ์ได้มันไม่ง่ายการภาวนาทำใจให้สงบได้มันไม่ง่ายหรอกอย่าไปคิดว่านั่งสวดมนต์สมาทานสีเรามีสีเนี่ยมันไม่มีหรอกอันนั้นเป็นเพียงแต่เป็น เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะรักษาศีลสมาสาสมาทานศีลแปลว่าเราจะรักษาศีลแต่จะรักษาได้ไม่ได้นี่ต้องดูไปก่อนสวดมนต์นี่จะทำไม่ได้หมายความว่าสวดปั๊บใจสงบปุ๊บเนี่ยมันต้องให้มันสงบเนี่นพระพุทธเจ้าเลยไม่ไม่ได้สอนให้เราอุทิศบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสอนให้เราอุทิศบุญด้วยการทาทาน คำถามต่อไปจากคุณปนัดดากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เหตุใดถึงไม่ชอบแม้กระทั่งเสียงก็ไม่อยากได้ยินก็นั่นแหละเพราะว่ามันจาอยู่ในใจเราความจำของเรามันมีพอมันได้เจออะไรที่มันไม่ชอบมันก็จะมันก็จะรู้ทันทีถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไป แต่กิริยาการการพูดการกระทาอะไรนี้มันไม่เปลี่ยนใจเรามันไปเกิดไปพบไหนชาติไหนรอด จ, จะเปลี่ยนร่างกายใ ห, หม่เหมือนดาลาแสดงภาพยนตร์ละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสดงเรื่องไหนแต่กิริยาการของเขาก็เหมือนกันเสียงเขาก็เสียงเดิมอย่น้อันนี้จึงทำให้เรา เ, าเวลาเจอใครนี้เราจะมีความรู้สึกอยู่สามแบบด้วยกันเจอบางคนก็ชอบขึ้นมาเจอบางคนก็ไม่ชอบ เยอบางคนก็เฉยๆที่ชอบเพเพราะว่าในอดีตเคยชอบกันมาที่ไม่ชอบเพราะว่าในอดีตไม่ชอบกันมาที่เฉยๆเพราะอาจจะไม่เคยเจอกันไม่รู้จักกันมาก่อนก็เลยเฉยๆไปคำถามต่อไปจากคุณจินคอปกราบนรรมส ก, การ์ครับการพิจารณาแยกธาตุแยกขันควรทำอย่างไรบ้างครับอ้าวก็แยกไปสิว่า ธาตุเป็นอะไรธาตุก็คือธาตุสีธาตุสีเป็นยังไงธาตุสีก็มีดินน้ำลมไฟที่เวลามารวมตัวในร่างกายก็ทำให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมา อ, อในร่างกายของเรานี้ไม่ได้ทำมาจากอะไรหรอกทำมาจากธาตุสีนี่เองทำจากดินดินก็คืออาหารที่เรากินข้าวเนี่ข้าวมาจากไหนถ้าไม่มีดินข้าวมันจะงอกขึ้นมาได้ยังไงดินมันก็ ต้นข้าวมันก็แปลงดินที่หยาบมาเป็นดินที่ละเอียดมาเป็นมเมล็ดข้าวแล้วพอเราเอามเมล็ดข้าวเข้ามาในร่างกายมันก็มาแปลงดินที่ละเอียดให้ละเอียดกว่า น, นั้นให้มากลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อไปอันนี้คือการการศึกษาเข้าใจคำว่าแยกธาตุแยกขันก็คือให้เราศึกษาว่าชีวิตของเรานี้มีอยู่5ขันด้วยกันขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันคือร่างกาย ร่างกายนี้ทามาจากธาตุสี่ินน้าลมไฟส่วนอีกสีขันนี้เป็นอยู่ในใจเป็นตัวที่ทาหน้าที่ให้ใจมีความรู้สึกทำให้ใจคิดได้ทำให้ใจจําได้ทำให้ใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสได้นี่เราเรียกว่านามขันมีอยู่สี่มีรูปมีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันนี้คือการศึกษาให้เราเข้าใจส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราว่ามีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นตัวตนไม่ไม่มีเลยของเหล่านี้รวมกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็จากกันไปร่างกายธาตุสีมารวมกันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แยกกันไปพอแยกกันร่นางกายก็หายไปคนตายหายไปไหนก็หายไปกับดินน้ำลมไฟนี่ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่เป็นหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราความทุกข์กับร่างกายนี้เกิดจากความหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเลยมันเป็นของดินน้ำลมไฟมันทำมาจากดินน้ำลมไฟเราคือผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะมันมาใช้มันเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณนรงศักดิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระนิพพานเป็นอนัตตาไหมครับมันไม่ไดยเป็นอะไรหรอกมันเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์คำถามต่อไปจากคุณพาวินกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมหมายความว่าการที่เรามีเจตนาคิดเจตนากระทาในสิ่งใด นั่นก็คือการทำกรรมของเราเราต้องรับผลของกรรมหรือผลของเจตนานั้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาคิดหรือกระทำอย่างเช่นเผลอขับรถไปชนคนเสียชีวิตทำให้ญาติผู้ทาให้ญาติมารุมทาร้ายเราและเราก็รู้สึกทุกข์ใจเสียใจนี้ไปตลอดจากเหตุการณ์นี้เราไม่ได้มีเจตนาแต่ทำไมจึงได้รับผลของมันครับ หรือว่าจะเป็นผลจากการที่เจตนาในชาติก่อนๆครับไม่แน่หรอกเรื่องผลที่เกิดจากผู้อื่นเขไม่ทำอะไรก็โดนก็ตีหัวได้ไม่ทาอะไรก็มีคนเข้ามาขมโมยข้าวของเงินทองของเราได้ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดจากคนอื่นนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจากเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเป็นเรื่องของความอยากของคนอื่นก็ได้ เราอาจจะไม่มีเวรมีกรรมกับเขามาก่อนแต่เขาอยากจะได้ไอโฟนของเรานี่เห็นเราวางไว้เขาก็ขโมยไปอันนี้เป็นเรื่องของไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาของเราหรือของอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในโลกนี้ที่มีคนหลายแบบด้วยกันคนที่ต้องการของคนอื่นก็มีเมื่อเขามีโอกาสเราเผลอเขาก็เอาของเราไปเฮ้งั้นอย่าไปอย่าไปคิดเรื่องกรรมให้มัน เสียเวลาเลยให้รู้ว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราทำอะไรด้วยความตั้งใจเราจะทุกข์หรือเราจะสุขถ้าตั้งใจทำความดีทำแล้วเราจะสุขถ้าตั้งใจทำความชั่วทำแล้วใจเราจะทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในใจเรา ถ้าไม่ตั้งใจทําจะไม่เกิดผลเช่นอยู่ดีๆกเ็เงินหล่นจากกระเป๋าไปแล้วคนอื่นเขาเอาไปก็เหมือนทําทานแต่เราไม่ได้ตั้งใจทําเราก็ไม่เกิดความสุขนี้ไม่ดีเกิดความทุกข์ด้วยความเสียดายเงินเสียได้ซ้ําไปอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องกรรมแหละไม่ใช่เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปดังนั้ น, ม, น, ม, นมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจ ส่วนในการที่จะเกิดขึ้นกับเราจากผู้นี้มันอย่างที่ได้แสดงว่าบางทีทําบุญแล้วยังไม่ได้รับผลก็มีทําบาปแล้วยังไม่ได้รับผลก็มีเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของมันก็นแล้วกันคําถามต่อไปจากคุณดิดสยาฉันทะในอิทธิบาทสี่เราจะต้องวางใจอย่างไรให้ความชอบความพอใจนั้นเป็นกุศลไม่ใช่กิเลสก็ชอบในสิ่งที่ดีไง ชอบบุญนชอบชอบปฏิบัติธรรมชอบรักษาศีลชอบภาวนาเนี่เรียกว่าเป็นความปรารถนาความอยากที่ดีไม่เป็นโทษต่อจิตใจคําถามต่อไปจากคุณปริชาติกราบเรียนถามพระอาจารย์คําอวยพรที่ได้จากพระอริยบุคคลกับคําอวยพรที่ได้จากบุคคลที่ไม่อยู่ในศีลในธรรม จะต่างกันไหมคะหรือขึ้นอยู่กับตัวผู้รับเอไม่ต่างหรอกคำวพิพรก็เป็นแค่คําพูดเท่านั้นเองใครก็พูดได้อายุวันโนสุขขังพลังเด็กมันยังพูดได้เลยอายุวันโนสุขขังพลังมันพรนี้เป็นเพียงแต่แสดงความปรารถนาดีต่อต่อผู้อื่นนะนะั้นว่าอยากให้คุณมีความสุขความเจริญนะแต่คุณจะสุขก็หรอเจริญนี่หรือไม่นี่อยู่ที่การกระทําของคุณต่างหาก ต่อให้พระอริยมาให้พรถ้าคุณทำบาปมันก็ไม่มีวันเจริญเน่ะแต่ถ้าคุณทำบุญให้คนธรรมดามาให้พรก็ได้บุญก็ได้บุญมันไม่ได้อยู่ที่การให้พรหรือไม่ได้ให้พรการให้พรนี้ไม่มีผล ต, e. <c> um> ต่อความสุขความเจริญเรื่อความทุกข์ความเสียหายของเราตัวที่ทำให้เราเจริญเรื่อทุกข์นี้เสื่อมนี้อยู่ที่การกระทาของเราทำบุญแล้วเจริญแน่ๆทำบาปแล้วต้องเสื่อมต้องเสียต้องทุกข์แนะ่ๆ ไม่ต้องมีใครมาให้พรหรือมากำจัดกำจัดไม่ได้ด้วยทำบาปแล้วจะให้พระอริยมากำจัดให้ก็ไม่ได้การที่ทำไปแล้วไม่มีใครไปล้างมันได้ไปไปลบมันได้ต้องรอรับผลอย่างเดียวแม้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องรับผลพระพุทธเจ้าก็ต้องรับผลจากการมีบาปกรรมมีการจองเวรจองกรรมกับพร ะ, ะพระเทวทัต พมโกลาก็ต้องถูกเจ้ากรรมในเวรมาฆ่าตายเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันทำแล้วมันจะมีผลของมันไม่มีใครจะมาพูดอย่างไรเพื่อไปเปลี่ยนมันได้คำถามต่อไปจากคุณวัลัยพันธ์กาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโดยทั่วๆไปกายหยาบนี้จะแบ่งเป็นหญิงและชายแต่ถ้าเป็นจิตมีแบ่งหญิงและชายหรือเปล่าเจ้าคะ มีแต่ถ้าจิตชอบผู้ชายจิตก็เป็นผู้หญิงถ้าจิตชอบผู้หญิงจิตก็เป็นผู้ชายมันร่างกายมันไม่มีแบ่งหรอกเพียงแต่ตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาเพราะถ้าอยากเป็นถ้าชอบผู้หญิงก็จะไปมีร่างกายของผู้ชายถ้าชอบผู้ชายก็จะไปมีร่างกายของผู้หญิงแต่ทีนี้ทางธรรมชาติมันก็เหมือนกับการผลิต ของโรงงานเนี่ยบางทีมีการผิดาพาดได้บางทีธรรมชาติก็ผลิตไม่ไม่ถูกตามเพศก็ได้ชอบผู้หญิงแต่ไปได้ร่างกายของผู้หญิงก็มีชอบผู้ชายแล้วก็ไปได้ร่างกายของผู้ชายก็มีมันก็เลยเกิดเพศที่สามขึ้นมาแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นสองเพศเพศหญิงเพศชายเพศที่สามนี่เลยกลายเป็นเพศที่ซวยไปเพราะว่า <c oughs> ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนกับส่วนใหญ่ แต่ความจริงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาจิตใจก็เหมือนเดิมจิตใจเขาชอบผู้ชายเหมือนกันชอบผู้หญิงเหมือนกันเพียงแต่ว่าดันไปได้ร่างกายที่ไม่เหมาะกับความชอบของตนเท่านั้นเองมันเลยกลายเป็นปัญหาของสังคมขึ้นมาเท่านั้นเองสังคมไม่เข้าใจความหมายความจริงแล้วจิตใจเขาก็เป็นเหมือนจิตใจที่ชอบผู้ชายจะมีร่างกายเป็นผู้ชายหรือร่างกายเป็นผู้หญิงมันก็จิตใจที่ชอบผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปรังเกยียจไปมีปัญหากับคนประเภทที่สามคนที่เขาไม่เหมือนเราแต่จิตใจเขาเหมือนเราจิตใจเขาก็ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเหมือนเราเนั่แนแหละเพียงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ได้เป็นไปตามตามตามสูตรเท่านั้นเองซึ่งนี่อาจจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติก็ได้บางทีมันก็มีข้อบอกพร่องได้หรืออาจจะเป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แหละ แต่ก็ขอให้รู้ว่านี่มันเป็นความจริงที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่เสียหายอะไรมันมีความชอบเหมือนกันชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเหมือนกันแต่ได้ร่างกายที่มันไม่ได้ตรงกับที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณจตุรนกระผมภาวนาพุโทโธแบบเร็วๆมานานแต่ไม่สงบเท่าที่ควรตอนนี้มาภาวนาพุโทโธควบคู่ไปกับลม และกายรู้สึกอบอุ่นกระผมภาวนาถูกไหมครับถ้าได้ผลก็ถูกนะถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ถูกให้ดูที่ผลนะคำถามต่อไปจากคุณกําพลการหยุดความอยากที่ดีที่สุดทำอย่างไรครับก็อย่าไปทำมันด้ยอยากกินเหล้าก็อย่าไปกินมันนั่นเองอยากจะสูบบุหรีก็อย่าไปสูบมันอยากไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ย ว, ย ท, ยวที่มันจะทำได้หรือเปล่า ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาก็คือสติและปัญญาที่จะเป็นตัวทำให้เรามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เหมือนคุณขับรถแล้วคุณอยากจะหยุดแต่เหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดจะทำยังไงคณก็ต้องไปเข้าอู่แล้วใช่ไหมจะดงว่าเบรกไม่ดีแล้วเบรกแตกเบรกเสียก็ต้องไปให้ช่างเช็คดูว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ให้เขาแก้ไข เพราะเพื่อนเลยว่าเราขับรถต่อไปเราจะได้เบรกรถได้ใจของเราตอนนี้มันก็เหมือนกันอยากจะหยุดความอยากก็หยุดไม่ได้ก็ไปเข้าอู่ไปเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาเดี๋ยวก็หยุดได้เองคําถามต่อไปจากคุณกําพลนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิบนเก้าอี้กับบนพื้นจะได้บุญกุศลเท่ากันไหมครับ มันบุนผลมันจะได้อยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งที่ตรงไหนถ้ามีสติจิตสงบก็จะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งกับพื้นก็ได้มันอยู่ที่สติอยู่ที่ความสงบที่เราจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าผู้ถามว่าตามหลักของการนั่งแล้วนั่งในท่าไหนดีกว่านั่งในท่าขัดสมาธิดีกว่าเพราะจะนั่งได้นานได้ยาวกว่า ถ้านั่งบนเก้าอี้เดี๋ยมันนั่งมันที่มันไม่ค่อยที่จะสถียืนบางทีเดียวมันจะเอนล้มได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะนั่งนานๆหัดนั่งขัดสมาธนะิเป็นท่านั่งที่เหมาะกับการนั่งสมาธิเหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬาไม่ว่าจะไปตีแบดไปแทงบิลเลียดไปตีเทนนิสตีกอล์ฟนี่เขามีวิธีให้ตีใช่ไหมไม่ใช่ไปตีตามที่เราชอบเออ คนที่เขาเป็นมือโปรนี้เขาจะรู้จักวิธีที่ดีที่สุดของกีฬาชนิดนั้นว่าให้ถือไม้แบบไหนให้ตีแบบไหนเพื่อจะได้ผลดีที่สุดมือโปรทางศาสน า, ศาทางนั่งสมาธิก็คือพระพุทธเจ้าแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราทุกวันเนี่ยฮะไปไปกราบพระเคยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในท่าไหนก็ท่านั่งสมาธิสอนเราทุกวันเนี่ยแต่พอเราจะปฏิบัติตามคําสอนเรากลับไปนั่งเก้าอี้กันน่ะ เพราะเรายังชอบความสบายอยู่ไม่ชอบนั่งขัดสมาธินั่งแล้วมันเจ็บมันขัดมันก็เลยไม่ก้าวหน้าเสียทีเพราะไม่ทําตามาศาสดาไม่ทําตามมือโปรมือโปรสอนให้ตีแบบนี้พอเวลาไปตีก็ไปตีแบบของเราองนี้มันก็ตีไม่ได้เรื่องนั่นเองคำถามต่อไปจากคุณจินกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคำว่าสงบในการนั่งสมาธิ หมายถึงว่าใจเรามีความสุขไม่คิดเรื่องอื่นนิ่งอยู่ในความสุขนั้นเรียกว่าสงบหรือไม่เจ้าคะก็มีหลายระดับสงบหลายระดับถ้านิ่งไม่คิดคิดน้อยลงคิดอะไรอยนี้มันก็สงบลงไปทีละเล็กเทีาน้อยจนสงบเต็มที่ไม่คิดอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยแม้แต่ร่างกายก็หายไปคำถามต่อไปจากคุณชัยยศ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตของเรานี้เป็นอนัตตาหรือไม่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์หรือไม่ครับไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรู้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นให้รู้ว่าจิตคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่สร้างบาปสร้างบุญถ้าต้องการที่จะให้จิตมีความสุขก็อย่าไปสร้างบาปสร้างแต่บุญถ้าไม่อยากให้จิตมาเวียนว่ายตายเกิดก็ให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในจิต นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้จะไปรู้ว่ามันเป็นอนัตตาหรืออัตตามันไม่เป็นประเด็นสาคัญมันเป็นอะไรก็มันมันไม่ได้อยู่ในกรอบของคาว่าอัตตาหรืออนัตตาเราไม่สามารถแปลว่ามันเป็นอัตตาหรืออนัตตาได้มันเป็นจิตมันเป็นผู้รู้ผู้คิดนอกจากอารมณ์ในจิตเนี่ยเราเรียกว่าอนัตตา อันนี้จังเพราะมันยังเกิดดับเกิดดับยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่วันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยอันนี้จังอนัตตาเราไปสั่งให้มันดีทุกวันไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นอารมณ์ในจิตเนี่ยมันยังเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่แต่จิตผู้รู้ผู้คิดนี้มันไม่ได้เป็นอันนี้จังมันไม่ได้เป็นอนัตตาหรือเป็นอตตามันเป็นมันเป็นของมันอย่างนั้นอะ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราถูกตำหนิทั้งตัวลูกและสามีจากครอบครัวของลูกเองทั้งที่ลูกไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ยังโดนต่อว่าและโดนตำหนิตลอดจนบางครั้งเสียใจมากอยากหนีไปจากพวกเขาลูกจะวางใจอย่างไรในการได้ยินได้ฟังคำถูกตำหนิก็หยุดความอยากให้เขาไม่ตาหนิแล้วเท่านั้นเอง ปัญหาของเราอยู่ที่อยากให้เขาชมเราเพอเขาตําหนิเราก็เสียใจก็อยากเขาปล่อยเขาพูดไปเถอะเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปเขาอยากจะตําหนิก็ตําหนิไปมันเป็นแค่คําพูดอ่ะมันคําพูดมันจะไปทําให้เราต้องเดือดร้อนได้อย่างไรใจเราไปหลงติดกับคําพูดของเขานั่นเองมันเป็นเพียงแต่เสียงอความจริงมันเป็นไงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละครับจะเปลี่ยนไม่ได้หรอก เราเป็นคนเ็าเรียกเราเป็นควายวมันเราก็ไม่เป็นหรอกต่อให้เราเรียกอ e ีควายให้ควายมันก็ยังเป็นคนอยู่นั่นแหละเห็นแต่ใจเรามันไม่ชอบสิให้เขาว่าเราท่านนั้นเองพอเขาว่าเราเราก็เลยเสียใจต้องมาแก้ตัวนี้แก้ตัวความอยากไม่ให้เขาว่าเราที่เป็นตัวปัญหานี้ต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนใจต่อไปนี้เชิญเลยอยากจะดา่าอยากจะว่าอยากจะตหนิอะไรเอาให้เต็มที่เลย เราจะทําตัวเราเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยลองไปด่าต้นเสาดูสิให้หามึงทํำไมไม่ตรงทําไมมึงเบี้ยวอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เฉยอ่ะมึงจะด่าไงก็ด่าไปสิกูก็ฟังมึงอย่างเดียวเอนะจะอาจเปลี่ยนใจแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องหนีไปไหนเปลี่ยนใจเราอย่าไปอยากให้เขาชมเราอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราแล้วเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นใครจะพูดอะไรฟังได้หมด คำถามต่อไปจากคุณซีซันเชนจ์กราบเรียนถามพระอาจารย์เราคลุกข้าวให้สุนัขทุกวันและแผ่ส่วนบุญให้มานดาและผู้อื่นทุกครั้งพวกเขาจะได้รับไหมคะก็ได้ก็เป็นการทำทานอย่างหนึง่งทำทานให้กับหมาเรามีการเสียสละเงินทองเพื่อที่จะเลี้ยงหมาเราก็ได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจจากการเลี้ยงหมา เหมือนกับการไปปล่อยนกปล่อยปลามันก็ให้ชีวิตเขาเหมือนกันแล้วก็อุทิศบุญได้บุญที่เกิดจากความอิ่มใจสุขใจของเราคำถามต่อไปจากคุณวิกราบเรียนถามเจ้าค่ะจะบาปมากไหมเจ้าคะถ้าเราเกิดอิจฉาคนที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราแต่เราไม่ได้คิดร้ายการอิจฉาไม่ดีละมันทาให้ใจเราไม่สบาย เราควรที่จะยินดีกับความเจริญความก้าวหน้าของเขาดีกว่าเขาดีกว่าเราก็ยอมรับว่าเขาดีกว่าเราก็เท่านั้นเองถ้าเราอยากจะดีกว่าเขาเราก็ทำตัวเราให้ดีกว่าเขาขึ้นไปเท่านั้นเองแต่เขาเป็นยังไงเราอย่าไปแข่งกับเขาเพราะมันจะทำให้เราอาจจะทุกข์เพราะมันอาจจะทาไม่ได้เพราะคนเรามีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันต้องยอมรับว่า ทุกคนที่เกิดมานี่มีบุญบารมีมาไม่เท่ากันอย่างโบราณเขาพูดว่าแข่งรถแข่งเรือยังพอแข่งกันได้แต่ไปแข่งบุญบารมีนี่แข่งไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างมาในอดีตถ้าเราอยากจะแข่งบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีในชาตินี้ก่อนแล้วชาติหน้าอาจจะบารมีอาจจะเท่ากับเขาหรือมากกว่าเขาต่อไปก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วการละสังโยชน์ในแต่ละระดับของพระอริยะในแต่ละขั้นเช่นโสดาบันพอละสักกายทิฏฐิได้ก็ละอีกสองตัวได้เลยพระอรหันต์เมื่อละสังโยชน์เบื้องสูงข้อใดข้อหนึ่งจากห้าข้อได้จะละสังโยชน์ที่เหลือได้พร้อมกันไหมเจ้าคะก็ลองทําดูสิ มไปถึงขั้นพระอรหันต์หมดแล้วนะก็ลองปฏิบัติดูสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอะไรนะวันนี้ถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ